5. อเจลกกวัค 8. อุยยุตเเสนาสิกขาบุตรว่าได้กองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบเรื่องพระชัพคพี311สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประเซนทิโกสลทรงยกกองทัพออกรบ พวกพิสุจชพักีก็ออกไปเพื่อชมกองทัพที่กำลังเคลื่อนขบวนออกรบพระเจ้าเปรตที่โกศลได้ทอดพระเนตรเห็นพวกพิกษุชพักีกำลังเดินมาแต่ไกลครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงรับสั่งให้นิมนต์มาแล้วตรัสถามดังนี้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายพวกท่านมาทำไมกันพวกพิสูจ์ชพักีถวายพระพรว่าพวกอาตมาต้องการจะมาเยี่ยมมหาบาพิตร พระเจ้าเปรเซนที่โกศลรับสั่งว่าพระกุณเจ้าทั้งหลายไม่มีประโยชน์ใดเลยที่ท่านมาเยี่ยมโยมผู้ไฝ่ในการรบพวกท่านควรไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคไม่ใช่หรือพวกพลรบตำนีประนามพลธนาว่าฉนัยพวกพระสมณะเชื้อสายสกยะบุตรจึงมาดูกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบเล่าไม่ใช่เป็นลาบของพวกเราพวกเราได้ไม่ดี ที่ผู้เรามาอยู่ในกองทัพก็เพราะการครองชีพเพราะต้องเลี้ยงดูบุตรภรรยาภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกพลรบตําหนิประนามพลท น, นาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพากันตนําหนิประนามพลท น, นาว่าฉะนั้นพวกพิจูชาวพคีจึงไปดูกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตําหนีพวกพิจูชาวพคีโดยประการต่างๆ